อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุรทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินีคือทำอย่างไรแน่ก็ททำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้ พุทธศาสนาี่กัณเราทางายโดยมากไม่ค่รู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มาค่จะรู้เพราะามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้เอาเติตังใจฟังต่อไปอการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะ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 ไม่พูดถึงศรรีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำรักเรียนทาสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก่อนนึกว่าทำเลยอืทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่ง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 สิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันมันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทํางานใหญ่มหาศาลตาเห็นลูกที่เขามาเวี่ยงให้หูฟังเสียงเขามาเวี่ยงให้จมูกลมกลิน่นริมรถโพธิภะก็มาเวียงให้จิตเป็นผู้ทํางานทั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งกวงมันคือคือจิตเราจิตของเรานี้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 เพาว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดอนั้นจะไม่ทําความผิดนั้นไม่ได้เพราะกําลังผิดแต่มันน้อยการทานไม่ไว ฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เรืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็สงบจากอารมณ์หลายอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจีของเรา <c oughs> นี่าการนั่งให้ตรงสะพับเทียบก็าตามนั่งให้สบาย อ, อเอาทํานั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้าย <c oughs> ฟังไปเรื่อยๆไปเออนั่งกายให้ตรง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 ให้คิดว่าเรานั่งในสลานี้เียก ว, ว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนอืนั่งคนเดียวแค่คิดว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่างๆนั่นนี่น่ะพอเราทําความสงบไม่ต้องําคาญกับคนอื่นครับ <c oughs> แล้วก็อ่หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงดีแล้วไม่ให้มันกระทบ ทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแ ล, ล้วก็ก้มเหมือนพระประธานพอดี <c oughs> แล้วก็รนหายใจหายใ จ, หายใจดูที่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจจำาวกนกรวลมหายใจไปยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้น อาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ายาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงอ่าแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงดึงฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรง น, นั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไป ตอนที่สองก็คือหัดไทยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจมีตอนที่สองนี่กลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่สะดือให้กาหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนี่ต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูก กำหนดตามการหนึ่งสองสามนี่ลมเข้าไปลมออกหนึ่งสองสามพอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่า น, นั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นแหละกำหนดตามลมนี่ไหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ <c oughs> เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจ คำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไปกลางลมอยู่ที่ฮะไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี้ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้ชัดเจนในเรืความสงบนะ มีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามกานนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทําไงอันนี้ตอนที่สองต่อไปให็นคำนดที่เดียวกําหนดที่ปลายจ ม, มูกเรือธุดงค์ที่ฝาไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จับไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่ น, นี่นี่ตอนที่สองที่มันสงบเที่ยว ไอ้ตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่นก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี่ก็ไม่ต้องตามันไปยัางไงาก็ได้จากอยู่เนี้ยลงอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเลยมันออกไปประามมันได้ไอ้รู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปกระช่างมันไม่ต้องตามันทีนี่สบายกว่าเก่า ท, า ท, าทีนี่มันงานงานนี้ละเอียดกว่าเก่าแล้วไอ้เจาะอยู่ตรงนี้พอแต่เรารู้สึกมีสติสติสคือความระลึกได้อยู่สรรัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้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 การงานในลานี้คือให้เรารู้เฉพาะตรงจะเข้าออกเท่านั้นเรียกปล่อยให้สบายสับ่งทําได้แน่ต่อไปนี้ทําเลยจะอธิบายไปสักหน่อยฟังฟังไปด้วยแนะนําฟังไปด้วยทําไปด้วยอะทําเลย น, นั่งให้สบายให้มันตรงเห็มันปวดอะวรยังไงหนึ่งก็ เ, เงียบเงียบอเอาคำนด t เลย หนึ่งสองสามให้กำหนดดมเฉยเฉยเสียก่ อ, เ อ, เ อ, อนเพื่อเราจะรู้ว่ า, าขานาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับระดิบของเรา <c oughs> เหมือนกับเราฝึกเหยียบจักรใหม่ๆไม่ต้องเหยียบท่าเอาทาระดีจักรเปล่ า, ลาๆเฉยเฉยก่ อ, อนมันคล่องตัวแสีก่ อ, อน นี่เราหายใจเฉยเฉยเฉาะเนีมันคล่องตัวซะก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วไปเอาสติมาวางลงตามลมใต้จมูกนี้อายใจจะดูจะดู อ, ด อ, อายใจจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นตอนนี้ให้ทํางานอย่างเดียวนเท่านี้ ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องหเลยต้องคิดไปถึงการงานทุก อ, อย่างทิ่งมันหมดยะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากกว่าจังมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะ ท, ทำแ่านี้วันนี้มาเตรียมคำกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะอืมปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกลงีเงียบอืกำหนด ความรู้ไวเฉพาะรินฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของรานี้มีความรู้สึกไว้เราเตรียมทำาะไเต็มที่นะเออนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุก นี่แหลกคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้แล้โอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกทางนินเสียทุกข์ก็หายไปสุเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทกันแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักห น, นึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลิกไปทางนินเสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กัน เนี่ยยังยังยังย่อยๆมันถึงอย่างเนี้ยถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกการนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเนี่ยมันบังทุกไว้เดินเกินไปไหนมันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์แล้วกระดุกขึ้นมามันก็หายทุกมันก็มีสุขเนี่ยมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็พริกข้างนี้ไปอีกมันก็ทุกข์ก็หายไป ที่ข้างน้นท์ข้างนี้อย่างมันทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเนี่ยกระลำคาดิลุกเดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกแล้ยวยไปหยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทางหลายเหล่านี้เน่ยมันปิดทุกข์ไว้ที่พวกเราทางหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้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 อมเมื่อนั่งไปนานทุกเกิดขึ้นมาก่อภิกอีกอย่งนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกหายไปก่อเพนเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกเครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนดื้อตัวอืเหมือนกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก่อนนึกไม่นึกว่าเราแก่ ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี้เมื่อเรามองมาเห็นกอยู่เป็นนานเทียมจะปผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้เนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้อ่าเรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งมันบงังอันนี้จะพูดถึงการทําสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ํา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 เนี่ยมันเป็นยังไงอนะก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ทุกมันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกรู้สึก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 ยีตนี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันเป็นเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทําให้พอเรามันมันมันมันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามโรงเรียนประโรงบ้านเท่านั้นเนี่ยนักเรการเรียนเท่านั้น ในอารมณ์ที่ชอบใจมันวิ่งไปตามอารมณ์โดยกระเดิดเปิดตึงไปเลยไหนๆมันก็มาดูหนังสือก็มีตาตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอตัวเทียมันุูยมันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ไงมันก็ห้านอนเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรีจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอาไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไร มันก็เห็นเฉยๆท่านอะมันจะมีปัญญาทีตาเลยเอาหนังสือมาจ่อกระตานี่จิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆปมาทีหนึ่งมันจะไปสอกอะไรได้ทีหนึ่งทีสองก็เขาะละอือมันนึกว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนะี่ะดียังไงกันะ ต, ต้องไปหาดง ตาดวงดวงไปผูกดวงมันเป็นยัง้งอย่างนี้ชั้นดวงไม่ดีน่าบา บ, าบา่ไปไงก็เราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้วดวงที่ไหนมันจะดีกว่าความดีไปได้ไม่มีไหมัมนก็เพ้อฝันกันไปอย่างนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> เมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้เอาตนค้นจากอันตรายได้ เราจะดูอย่างสัตว์ป่าที่อย่างมันเชื่องเราเช่นไก่ป่ามันกลัวมากที่สุดนถ้าเราไปตะคุกจับมันมาได้เอะมาดูหน้าดูตาท่านนั่นเนี่ยเนี่ยตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่ลักษณะจิตไรนี่มันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยอเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้าตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้าตามันก็ไหลออกอีกนมั้ยคือมันมาอยู่สภาพอันพอดี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 ถ้าเราหยุดแล้ว เ, เวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิอกอันนี้เราก็เลิอกอันนี้นไม่ใช่ว่าเราทำอย่างหนึ่งอยู่เดยไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทำจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวแล้วอิจนี้ทุกอย่าง ท่านีกกายทำกายให้มีกำลังนะไม่ต้องทำอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของนะยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทำกายให้มีกำลังต้องทำอย่างนั้นท่าจิตถ้ามีกำลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายนี่ยนะเนี่ยก็เสียคนตอนนั้นเนะี่ยเนะี่ก็เสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามตอนนั้น เนี่ยทำจิตที่ไม่มีกำลังกายหนึ่งเราเอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ถึงวันนี้ทำจิตให้มีกำลังกระทำกายให้มีกำลังเท่า น, นั้นอืการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี้ทั้งหมดรอบตัวของมันในตาหู จ, จมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองอฉะนั้นหมืจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้ จิตนั้นไม่มีกําลังฉะนั้น อ, นอน า, าณาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานีนอน า, าณาปานสติที่ทําจิตให้สงบนี้มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทําจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุทโธธโ ม, โมสังโฆบุริกรรมก็ได้แต่ว่าอาณาปานสติมีมันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเรานั่ง นั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดดมนั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดดมหายใจเข้าออกเกยกำหนดวางข้างนอกหมดจิจมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้นี่ทำที่โรงเรียนในเมืองว่างๆก็ได้สมาธินี่เป็นเดียววิยญาเกิดนะเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันจีบขัดไม่ได้บางทีเราสดประดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนเนี่ยมันลำพาญ มันจะทํามันนั่นในด้แล้วก็แงหน้าออกไปกำหนดนันแหละทาสมาธิแหละเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วนอนยนเนี่ยอ่อย่างกำหนดอย่างเดียวกันนะเนี่ยที่นี่ทหารว่าเราเป็นนักเรียนไงเราประกอบสมาธินี่เข้าไปในะยิ่งว่องไวเลยขณะที่เราติดปัญหาตอนเรากำกำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยกำหนดให้มันซึ้งไปดูก็นั่นอีกมองเห็นเข้าไปอีกอย่างนั้นนั่นอันนั่นเลยกว่าเราคิดค้นอมันฟูขึ้นมา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 มันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการ์อยู่แต่เราไม่ปรีชาจารย์หรือเราออกไปในที่วุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดัดมันก็คิดได้ง่ายเพรเาะคนไม่วุ่นวายเราจะทําเลขทําคิดเลขอะไร่างๆมีคนจะาห้าคนจีบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ ง, ง่ายๆไหมถ้าเราออกไปข้างนอกแั่คราสหนเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่นี้ก็มีอาการอย่างนั้นคือทํากายจิตของเราไมา่มีความผิด ในเกือบแกงสงสังสยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในในกายวาจาเราแด้เป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มีเรื่องอะไรจิตสบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยสมาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมันก็คนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักท่เนี้ยสามจริงแต่มันแต่พอมันทํางานรวมกันอย่างเนี้ย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 ศีลก็ช่วยกําลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกําลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกําลังหนึ่งมาทํางานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเอยกว่ามรรคขะสามะคีคือความสามะคีเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นทุกนั่นแหละไอการกัตตารู้ทำเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเมื่อความสามะคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามะคีกันเมื่ อ, อไรสบายเลยอืมอ่ะ อย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนี่นั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศย์จะทางมันจะสามัคคีกันเดยมันก็ไม่สงบเท่านั้นนยี่เ่ครูก็ดีนักเรียนก็ดีจป็นตให้กลมกลืนเป็นเดียวกันครูก็ดูจักหน้าที่ของครูนักเรียนก็ดูจักหน้าที่ของนักเรียน ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เดียปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็มันฝันฉันนั้นการทาสมาธินี่มันกายเป็นตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอความดีทางหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้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 สิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเข้ากาลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีมีคนห้าคนมีแต่บอกว่าอ้าเอา้เอ า, อาแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าอา้อาอ้าวหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามากีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกข้า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 อัดต่างๆเป็นต้นต่างอกต่างใจครูก็ต่างใจสอนนักเรียนก็ต่างใจฟังเท่านั้นแหละลองซิทําให้ดีเลยไปทําดูเถอะโรงเรียนนาฬีนี่ลองสิมันก็ดีเท่านั้นเนี่ยไอ้ความดีนี่น่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันนีงนะไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้ ะแต่ความดีนั่นมันเกิดจากความสามคัคคีถ้าสามคัคคีไม่พร้อมกันเถอะ ม, มันก็ดีเท่าไดมันก็ดีไม่ได้เท่านั้นแหละนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ในะหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็นต้องพยายามทำรรนะพยายามทำคารพในการเรียนครูก็ต้องคารพในการระเบียบปินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะ มีคุณนัะพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่าดุแลงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้ดุแลงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกันนักเรียนก็เอาอำนาจเสมอเก้าครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะ คาราโบจะนิวาโตจ่าสันตุทิจะกะตันนิวตาขรบไปบ้างอย่างคนแก่พูดผิดผิดถูกถูกก็ห้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วอืมน่ทํางานตรงหน้าหลงหลังไปก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกําลังของคนแก่เพียงใดล้วก็รู้จักกําลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไปแปดกิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้แปดกิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้ว นะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรประการหนึ่งเช่นว่าถ้าฮาบรีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบางเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมุติใด้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แก่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าอไปเทีนี้ก็รอเลยที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยูน่นล้วนะนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นเอาไปฆ่าที่มึงเดีย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 ครูก็เหมือ น, นพ่อกับผู้นั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้กรมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้อืมไอผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั่นอันนี้ก็เพื่อรากเงาข้าวมวลมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงเนี่ยจะเป็นธรรมะเป็นต้นนี่เดียกว่าศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรม ไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดะละเจตสิ่งที่มันไม่ดีอถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วตเหนละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจขเขาให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่า น, นั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอน ง, ง่ายาไห้ซ้ำดึกในตัวบ่อย ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายกับมานั่งสมาธิเสียกราบพระเล้วไปนั่งสมาธิกําหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วกินไปเรียนไปสอนนักเรียนอยากจะเป็นโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามาไกลามากลาบพระไปก็ให้กราบพระอตอนกลางคืนมาก็เห็นเวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันถูกพู ด, ผ, ดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหม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 คนทุกๆคนมันเจาะเห็นอย่างนี้นะเป็นลบๆทำใช่บางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรเนี้ยไปแบบทำซะทางๆเพ่อจะคนมาเห็นเนี่ยนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ไปทําอะไรทําผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทําความชั่วอย่างไรอย่างนี้ คิดอย่างนี้ตัว น, นี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทําทําแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนคนคนโง่เป็นอย่างงั้นทาไมคนจะไม่เห็นแล้วใครเป็นคนทำํำที่ที่ทําไม่ใช่คนหรือเราไม่ใช่คนเหรอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปอไปหาที่ไหนคนไม่เห็นที่เราทํา ลบไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหมจะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนดูจากธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งตอนหน้าหลับดังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันดูทั้งนั้นเนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะมัจริง น, นี้คือตามความผิดไม่ได้อันนี้มันกันฉันนั้น ที่นี้พวกเราทั้งหลายนั้นทุกๆคนนะตึ่นเต้นนักเรียนนะให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออือย่างวันนู้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายธรรมาเศร้าท่านเรียนว่าจะทําทยังไงดูชายมัในใจร้อนคนอายุ ข, ขนาดนั้นมีความรู้กว่าจริงแต่ความฉลาดไม่พอ อาตมาต อ, ตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอืมอายุวัยเรายังในครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ต้องให้ทาเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปอืมถ้าหน้าร้อนลูกชายในใจร้อนมากจะทํายังไงดีอืมแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไป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 เดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าอ่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่า ง, างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายัางไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูอเรามีเพียยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนอพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่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 พูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่เคยเชื่อเราว่ะยังมีเดบีดอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่อืมไอครูไอนักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่เคยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่อืมมันมีอะไรอยู่อืมในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก่อันนั้นเสีย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 ทาราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะ่ะใอ้ความรู้อันนี้นะ่ะมันจะคงเปรียบกระทำมาอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากตาไปเลยจะเป็นคนเป็นคนปก ค, ครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เนี่ยเพราะเราเพราะรุ่นทำรร ม, มา ก, ก่อนๆอนนะันนี้ก็กระไปแต่แก่แล้วนะถ้าเราทําไม่ดีกต่พาลูกหลานของเราวอดวายแล้ไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะ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 ถ้าหาว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรธานแล้วก็เหมือนเอ า, เ อ, าอาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละแอ้คมรู้ไปตั้งในทุนพานแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สีลไปตั้งในนักปราชญ์จะแรกเป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุติตานี้เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้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 เค ห, หาสถานบั้นช่องก็ดีนะไอความดีนี่เหลยมันช่วยเราเราทําความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทําความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทําความดีอยู่เป็นต้นไปเจียจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่ อ, ตอไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่กับชาติหน้าต่อฉนนั้นเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นนอกจากทําใจของเรานี้ให้สบงบนะครับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดๆนหน่อยๆก็อดทนนอา นะอือไอความโกรธก็ดีมันไม่โกรธเยอะกระตั้งบีกระตังชาติแล้วมันโกรธปริยบปราวถามันหิวข้าวไปกินข้าวมันก็หายแล้วอือันนี้ตก็มันกันฉันนั้นอย่าทําตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรม การทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อกิจสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดแล้มันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมังกร ะ, ะสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติษษสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมืมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดกันมาวันนี้พวกนักเรียนครูทั้งหลายนั้นมาอบรมอ่าศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญา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 หาความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปเอามาตั้งแต่เขาทาดีนะเข้ามาทุกว mm ันเขาไม่ดูจักบรรพะวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเราดูจักบรรพะวันเจ้าคือเข้ามาทุกวันนั่นเอเราบ่นกันมาเออไอ้ไอ้มึงนี่ไม่ดูจากบรรพะวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือเนื่องว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่ดูจักบรรพะวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเราอีกมาทุกวัน มันไม่คอยกันพระเนี่ยนั่งกันเป็นแถวผู้หญิงผู้ชายสงบระงับได้เข้าใจพูดเรื่องเรื่อง จ, จิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมากไปคราวนี้ถึงสอ ง, สองเดือนกว่าอ่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้แต่ปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาในกรุงนันดอนหนึ่งสาขาแล้วกรุงปา ร, รีสหนึ่งสาขาแล้วอืได้สอนสาขาในเมืองนอกนะ อจับพรั่งอนี้เขาอยู่นั่นเนี่ยหรือเนี้ยดีมากสนใจมากกําลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในในในโคลนมันไปจมจริงๆไม่รู้เรื่องไปเห็นพระไม่รู้จกักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นพระมันมองนยมันมองะจะคุณนั่นไปเออจะไปห้องสุขาหนี่อืงจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายเหรอไม่ให้ มันไปในห้องสุขาผู้หญิงใช่ไมันไม่รู้จักเลยนงมันไม่รู้จักอือันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงจริงไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องอพอเราไปห่มผ้าก็ไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดตวงรังมันหนาวเราไปโกนหัวไปซ้ำมันก็รักกันมันก็ไปคนในทิศในทางเขาจะดูอันตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไร ท่านเป็นอะไรอีกันผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนมันเบื่อมาเสดงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมัน ก, กลับกันอ่าได้นสนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายด้วยมันมันถึงขิดมันก็ไปทำสอนเนี่ยมันก็ไปทามันเกิดความสง บ, มสมบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้เพื่อนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรนะมันพอแล้ว ไม่หาคนฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกตอนนั้นไม่มีอะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่จะไปเดี๋ยวไปนั้นเนี่ยมันเป็นคพี่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแจนี้ไม่มีแล้วอืมกระจายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฟุน้ฝูงนานาเนี่ยบ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันมันดันก็นไปเห็นยังกุดลกี่กี่ควยยั้เนาะต่อแม่มันนึกทุกันไม่ได้ลำบากนี่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 เช่นอา ต, fitted, ตมากลายฟังว่าการทําความชัม hmm. ช่วความดีนี่ทําแล้วไม่เสียหายทําแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทําที่ไม่มีคนเห็นไม่มีถ้าเราทําทําดีตรงไหนก็เลยดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นนก็ดีอยู่คนไม่เห็น่ะเราก็เห็นเราเราก็เป็นคนเราทําดีอยู่เราเห็นอยู่นี่นีอาศัยความดีอย่างนี้เราทําความชัว่วของเหมือนกันมีคนเห็นอยู่อื feasible. ถ้าคนอื่นมาเห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ย เหตุผลอย่างนี Source, ้ม <VA> ันหนีไม่ได er ้แลวมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นเอาละวันนี้การอบรมสินอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากอยาจะทำสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทำแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาด้วยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าเดิมนะ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 รู้จากความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าวันนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดี่ยวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปด้วยพิจารณานี่เป็นสามาธินี่เดี่ยวการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทางหลายนี้ที่กล่าวมานี่ยขอฝากครูทางหลายและนักเรียนทางหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตัดเวลาแล้ว ผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรานำตัวเองมาและก็นำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านทาให้เรานะไม่ว่าจะครูนะหรืออาตมานะอนตาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้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 ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เท่า น, นั้นนะท่านจงทำอย่างนี้ ท, นนท่านจงทำอย่างนี้เท่า น, นี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเ อ, าเองเป็นอย่างนี้ถ้าว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่า น, นั้นไม่ทําตามมันก็ไม่ได้เท่า น, นั้นเลยวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสอนไว้ ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนวาระละึกอย่างใดเดี๋ ynn ี้นั่งอยู่เราทําอะไรอย่างไหเดี๋ ynn ี้ที่เราทําเรานี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี้ท่านเดียกว่าเป็นคนมีเจ้าของเป็นคนมีสี่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นสี่พึ่งมีประสงค์เป็นที่พึ่ ง, ง, งถ้าคนไม่มี ส, ส, สติสัมปชัญญะตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนื้คนไม่มีเจ้าของ คนหมดจะของเห็นไหมคนเป็นอกกระสา์อยู่ตามตลาดเห็นไหมนั่นคือคนไม่มีจะของนะเนี่ยไปพบกระสองมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเพลินอยู่มันสะดวกสนานประคนอยู่ในเมืองอุบนุนั่นคือคนไม่มีจะของให้เป็นคนมีจะของถ้าพูดคำหยาบเพราะว่าคนเป็น้าอ่านี่ยัจสตินี้ การไม่มีสติการไม่รู้จักจะขอมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นแทนจงะระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่อบรมวัดหนองประโพงแล้วให้มีอะไรจิดตีนจิตมือไปจิดจิตจิ ต, ตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้หละโอกาสเวลาก็พอสมควร้วยอำนาจของประฉิรศานาใจคือประพุทิหนึ่งทำหนึ่งระสงค์หนึ่ง จงปก ป, ปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มาอรมบันนี้นำธรรมะไปประพฤติธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังสัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระนัดด้วยขอวัดปฏิบัติกันถูกต้องขององค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้ จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในนาทีการงานของตนทุกทุกคนคือ